สวัสดีครับพี่้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิอภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีพระเยซูตอนที่สองร้อยสี่สิบคำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่สิบห้าครับเรื่องคําวิงวอนที่สองเป็นค์พระโพธิญาของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่หกข้อที่เก้าถึงข้อที่สิบสานะครับและคําทูลขอหรือคําวิงวอนที่สองก็คือขอให้แผ่นดินของโปรงมาตั้งอยู่ นะครับทำอธิษฐานของเราทั้งหลายนะครับที่มีไปถึงเบื้องพระพักของบรบิดาเจ้าไม่เกี่ยวข้องกับท่าทาง น, นะครับไม่ว่าเราจะยืนอธิษฐานคุกเข่าอธิษฐานหรืออาจจะนอนอธิษฐานตอนที่ป่วยอยู่บนเตียงคนไข้หรือจะยกมือชูมือก้มศีรษะยกศีรษะเปิดตาปิดตานะครับคําอธิษฐานนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการท่าทางครับเกี่ยวข้องกับการเปิดใจจริงใจต่อพระเจ้าต่างหาก ธรรมนิทานไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่พระคนของพระเจ้าสามารถอธิษฐานได้ทุกหนทุกแห่งเพราะพระองค์ทรงสำรับฟังทร ง, งทรงอยู่ทุกโหนทุกแห่งเพราะฉะนั้นพระองค์ได้ทรงทรงได้ยินธรรมนิษฐานทุกคําคำวิงวอนทูลขอทุกคําไม่ว่าจะอยู่ในบ้านอยู่บนเรืออยู่บนรถไฟฟ้าอยู่ในทุงง่งนาอยู่ในวิหารหรืออยู่ในสนามรบหรือขณะที่ทํางานที่ที่ทํางาน เดินเข้าบ้านหรือออกจากบ้าน <c oughs> ทำอธิษฐานของพระเยซูนั้นก็สามารถทาอธิษฐานได้ในทุกโหนทุกแห่งพระอธิษฐานของพระเยซูไม่เกี่ยวข้องกับเวลาครับคนของพระเจ้าอธิษฐานตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นตอนกลางคืนอนธิษฐานบนเตียงอธิษฐานก่อนอาหารหลังอาหารอธิษฐานวัละหลายครั้งครับก่อนเก็บเกี่ยวก่อนไถนา ระหว่างทำงานระหว่างน้ำมัสการอธิษฐานได้ทุกวันทุกเวลาประการต่อไปก็คือคำอธิษฐานนั้นเป็นคำอธิษฐานของพวกเราทั้งหลายทุกคนครับเราทุกคนควรอธิษฐานคําอธิษฐานของพระเยซูอธิษฐานทุกเวลาทุกสถานการณ์ทุกแห่งหนทุกสภาพอากาศทุกทุกมรสมทุกบ้านทุกแห่งกลางแจ้งทุกที่ทํางานทุกการเล่น ทุกความสัมพันธ์ทุกปัญหาทุกที่ทุกแห่งเดี๋องครับคำมริษฐานของพระเยซูนั้นสอนเราทุกคนในการอธิษฐานและวันนี้เราจะมาดูครับว่าคำมริษฐานที่ว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นั้นมีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องในที่นี้เราเห็นข้อเท็จจริงห้าประการครับที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินของพระเจ้าข้อเท็จจริงประการแรกก็คือ เมื่อรอ้ฐานขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นั้นเรากำลังทูลกับพระเจ้าบอกกับทุกคนว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นจอมราชาหรือกษัตริย์ผู้ปกครองของเราเราอยู่ในการปกครองดูแลของพระเจ้าข้อที่จริงประการที่สองก็คือว่าพระเจ้านั้นทรงมีแผ่นดินที่พระองค์ทรงปกครองอยู่ครับและแผ่นดินนั้นอยู่บนสวรรค์ในขณะเดยียวกันครับ ก็อยู่บนโลกเช่นเดียวกันข้อเท็จจริงประการที่สามก็คือแผ่นดินของพระเจ้านั้นยังไม่ได้มีครบถ้วนสมบูรณ์แบบณเวลานี้จะต้องมีการขยายออกไปจะต้องมีการลงมาตั้งอยู่จากสวรค์ข้อเท็จจริงประการที่สี่ก็คือแผ่นดินของพระเจ้าสามารถมาตั้งอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ได้แผ่นดินของพระเจ้าสามารถมาตั้งอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ได้ ข้อได้จริงรการสุดท้ายที่ห้าก็คือคำอธิษฐานของพระเยซูสามารถช่วยนําแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในโลกนี้ได้เมื่อเราก้มศีรษะเมื่อเราถ่อมใจลงอธิษฐานคำอธิษฐานของพระเยซูเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าเรากําลังเริ่มต้นนะครับเราก็มาเริ่มต้นยอมรับรู้ว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระบิดาของเราเวลาที่เราอาธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพุทธผูหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ เรายอมรับรพระเจ้าเป็นพระบิดาครับเรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาผู้ทรงอยู่ใกล้คิดสนิสนมและห่วงใยเราทั้งหลายในคำอธิษฐานวิงวอนที่สองเมื่อเราอาธิษฐานว่าขอแผ่นดินของผ์มาตั้งอยู่เรายอมรับว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงสูงสุดสูงทรงผู้ทรงปกครองบัลลังก์ในสวรรค์แผ่นดินสวรรค์และกาลังจะปกครองแผ่นดินโลกนี้ พี่น้องครับพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองของเราพี่น้องครับการปกครองของพระเจ้านั้นก็ไม่ต่างอะไรจากการปกครองในลักษณะของคนโลกหรือของกษัตริย์ประการแรกก็คือพระเจ้าทรงกําหนดกฎหมายของแผ่นดินของพระองค์ในสวรรค์ในโลกเหมือนกับพระราชาหรือกษัตริย์นั้นกำหนดกฎหมายในแผ่นดินของพระองค์ใช่ไหมครับ ประการที่สองก็คือว่าพระองค์ทรงตัดสินผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายและให้รางวัลแต่ผู้ที่รักษากฎหมายของพระองค์และประการที่สาประการสุดท้ายก็คือพระองค์ทรงเป็นผู้บริหารสูงสุดในแผ่นดินของพระองค์นี่คือการปกครองของพระเจ้าทบทวนนะครับประการแรกก็คือพระเจ้าทรงกําหนดกฎหมายของแผ่นดินของพระองค์ในสวรรค์และในโลกประการที่สองคือพระองค์ทรงตัดสินผู้ฝ่าฝืนกฎหมายและให้รางวัลผู้ที่รักษากฎหมาย และประการสุดท้ายก็คือพระเจ้าทรงเป็นผู้ประหารสูงสุดในแผ่นดินของพระองค์เพราะฉะนั้นวิธีที่พระเจ้าะจะทรงปกครองในสมนั้นพรองค์ทรงมีจุดประสงค์ชัดเจนถูกต้องครับในในขณะเดียวกันพระองค์ก็มีแรงจูงใจที่ถูกต้องเช่นเดียวกันนอกจากนั้นพระองค์ก็ยังมีกําหนดเวลาที่ถูกต้องการตัดสินใจที่ถูกต้องการมาตรฐานที่สูงของพระองค์ก็ย่อมถูกต้องเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานว่าขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่เรากําลังเชิญพระเจ้ามาปกครองในหัวใจของเราโดยหลักการของพระองค์ด้วยหลักการของพระองค์ด้วยกฎหมายของพระองค์ครับเพราะฉะนั้นนั่นเป็นการทําให้แผ่นดินของพระเจ้าอยู่ภายในเราและเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆครับตรงปกครองเราส่วนตัวปกครองหัวใจของเราปกครองชีวิตของเราครับนั่นคือการปกครองของพระเจ้าว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในแผ่นดินของพระองค์ ในขณะที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ส่วนตัวของเราเราเป็นประชาประชากรประชาชนของพระองค์เมื่อรอริยฉานทำแบบนี้นะครับแน่นอนครับขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาปกครองหัวใจของข้าพระองค์เช่นเดียวกันกับที่แผ่นดินของพรงปกครองในสวรรค์แน่นอนครับเราเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นการปกครองของพระเจ้าในชีวิตของเราที่มีต่อเรานั้นก็ยังไม่สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกันครับแต่พ ร, ระองค์มีพระมาตรฐานที่สูงครับ เราควรให้พระเจ้าปกครองเราในวันนี้เช่นเดียวกับที่พระองค์จะปกครองเราหลังจากที่เราเข้าสู่สวรรค์การปกครองของพระเจ้าบนโลกนะครับก็คือเรียกว่าเป็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่ทุกคนเป็นสมาชิกของแผ่นดินพระเจ้านะครับในโลกนี้เพราะนั้นเราหรือเขาจะต้องเข้าร่วมในแผ่นดินและปฏิญาณความจงรักภักดีต่อพระราชาหรือองค์กษัตริย์นี้เองเราจต้องมีความจงรักภักดีเราจต้องกล่าวคำปฏิญาณ และนี่คือการบังเกิดใหม่ครับพี่น้องนี่เปนการบังเกิดใหม่พระเยซูตรัสว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้เราต้องบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณเพื่อเข้าแผ่นดินของพระเจ้าครับการต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดก็เหมือนกับการเชื่อไว้วางใจในพระองค์ต้อนรับพระองค์ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานให้เป็นบุตรของพระเจ้าก็คือคนทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั่นเอง พี่น้องครับหลังจากที่เราเข้าสู่แผ่นดินของพระองค์แล้วเราก็จะต้องทําให้พระเจ้าทรงขอพระไทยไมิใช่เหรครับพรงทรงเป็นจอมประสาทของเรานะครับเราจะต้องสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ตามน้ำมันไทยของพระองค์ตามความปรารถนาของพระองค์ที่ต่อเราครับแล้วพระองค์จะทรงประทานทรงเพิ่มเติมสิ่งทุวงเหล่านี้ให้พี่น้องครับเมื่อเราอิจฉานขอแผ่นดินของพรงมาตั้งอยู่นั่นหมายความว่าเรากําลังของให้ข่าวประเสริฐ ถ้ากิดคุณของพระเจ้าแพร่ออกไปยังผู้ที่ไม่ได้เป็นของพระองค์แพ้่ออกไปสู่หัวใจจิตใจของผู้ที่ยังไม่ได้เป็นประชากรของพระเจ้าผู้ยังไม่เชื่อยังไม่เบ่งเกิดใหม่ครับและทำงานที่ฐานนี้จึงเป็นคําอธิษฐานเพื่อการนําวิญญาณเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็งานที่ฐานให้แผ่นดินของพระเจ้าขยายเข้าไปในชีวิตของคนนะครับที่ ย, ยังไม่เชื่อพระเจ้านั่นเองม<ค>ี<ณ>องค์กาขยายแผ่นดินของพระเจ้าเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมกันครับคุณกับผม สามารถอธิษฐานเพื่อการประกาศในละแวกบ้านของเราที่คฤชจักรของเราได้ครับคุณกับผมกับพี่น้องสามารถอธิษฐานให้กับญาติพี่น้องของเราที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าได้ครับแม้ว่าเราจะไม่ไม่รู้จักใครไม่รู้จักคนคนั้นที่เราฐานเผื่อแต่เมื่อเราอธิษฐานว่าขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นั้นเรากำลังขอเพื่อให้คฤชจักรเกิดผลครับเนะครับเมื่อเราอธิษฐานขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นั้นเรากำลังขอ วิทยาลัให hmm. hey, ้ไปประกาศต่างประเทศเพื่อประกาศก่าวประเสริฐของพระเยซูแก่คนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังครับแล้วก็มันขอแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในต่างประเทศในประเทศที่ยังไม่มีแผ่นดินของพระเจ้าหรือมีแผ่นดินของพระเจ้าน้อยตั้งอยู่เพราะฉะนั้นแผ่นดินของพระเจ้าในที่นี้โดยความหมายนั้นก็หมายถึงการปกครองของพระเจ้าในหัวใจของคนนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวใจของเราส่วนตัวหรือหัวใจของคนอื่นๆ นันหมายถึงการขยายนะครับการขยายคขื้นจักรของพระเจ้าเพราะขื้นจักรของพระเจ้านั้นเป็นแผ่นดินของพระองค์ที่ตั้งอยู่ในโลกนี้เมื่อเวลาเราอธิษฐานขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่กําลังขอการกลับมาครับของพระเยซูเพื่อตั้งแผ่นดินของพระองค์มนโลกนี้จริงๆคำอธิษฐานนี้นะครับยอมรับว่าแผ่นดินของพระองค์ไม่ได้ปกครองโลกในเวลานี้เมืราอธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่กําลังขอการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซู และเราเรอคอยสิ่งนั้นด้วยครับพี่น้องครับเรากำลังแสดงออกถึงความรักที่เรามีต่อแผ่นดินของพระเจ้าความจงรักภักดีด้วยไว้อธอิษฐานขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นะครับซึ่งเป็นคำอธิษฐานสุดท้ายของพระกัมภีในที่ทาวิวร์ครับที่บอกว่ามารนาทานนะครับพระเยซูเจ้าชนเสด็จมาถึ น, นี่คือการ คําอธิษฐานสุดท้ายของพระองค์ทีเดิมในพระธรรมวิวรขอให้แผ่นดินของพระเจ้านะครับขอมอบแผ่นดินนี้ให้กับพระองค์พี่น้องครับเมื่อจอมกษัตริย์เสด็จมานะครับบรรดากษัตริย์ในโลกนี้จะไม่มีโอกาสปกครองโลกนี้อีกต่อไปพระเจ้าจะทรงเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองราชจักรของพระองค์นั้นเป็นราชสักนิรันดร์ในที่พบโลกนี้เป็นราชจักของพระองค์องค์ผู้เจ้าของเราพระเยซูคริสเป็นของพระเยซูคริส องค์พระผู้นเจ้าของเราตลอดไปพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิจขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราเข้าใจเรื่องราวแห่งแผ่นดินสวรรค์นี้เพื่อเราจะนิทานตามแบบอย่างของพระเยซูอย่างถูกต้องต่อไปอาเมน